ทลายกำแพงใจให้อภัยให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดคุณมนชิพศิวะสินากรหรือ เพื่อนให้โอกาสเพื่อนเสมอความเดิมตอนที่แล้วงานปปสกระทรวงยุติธรรม 7 ส่งผลตอบเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปในชุมชน หรือครูใหญ่ไม่ใช่ผมไม่สนใจปัญหา ทำให้คนในบ้านปลายฟ้าของเราเนี่ยๆก็ยังไม่ทำ 2 ตนไม่ค้นใจว่าเป็นลูกเค้าเมียใครแม้พ่อเออพ่อ แต่ก็บอกแต่จะใช้สันติวิธีค่ะไงว่าปราบมันไม่ไหวแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกรณีดารณี อีกตาครูใหญ่นี่เคารมดีเหมือนกันค่ะแม่ แม่มีเชื่อลูกสาวแม่แล้วแม่จะเชื่อใครถ้าให้ ถ้าไม่ใช่เดินหน้าแดนอย่างนี้มี ไปประชุมมาเป็นยังไงบ้างล่ะหน้าตาสดๆฉันกับเขาใช่คน มอดาวันน่ะเค้าอยากจะแก้ปัญหายาบ้าหรือยา ฉันหรือไม่ก็ใช้วิธีตาต่อตาฟันต่อฟันมันต้องใช้กฎหมายหรือไม่ก็ใช้วิธีตาเฮ้ย พอเมื่อไม่มีคนซื้อคนขายก็ไม่รู้จะเอ้างั้นก็มาคอยเฮ้ยเฮ้ยมันคน เสร็จหรือยังจ๊ะน้องมีเกือบเสร็จแล้วค่ะพี่ดวง เป็นคนที่มีความรับผิดชอบดีคนที่มีความรับผิดชอบดีอย่างเอ๊ะน้อยเค้าเป็น อ่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปครูมีโบรชัวร์เรียกว่าแผ่นพับดีค่ะ เอากระดานมายื่นให้ข้าทำไมวะไอ้ แต่ก่อนนี้พี่นพก็ไม่ได้กินยาบ้างฉันก็เห็นแข็งแรง แม่เอ็งก็จะแม่ลูกเต็มทีแม่ เกลียดเกลียดยาบ้าน้อย เป็นเปียกตั้งแต่จับคนวิ่งแล้วส่อยได้เนี่ยทําเป็นเดินยืดใหญ่ชวน ข้าก็ไม่เห็นมันจะซ่าตรงไหนนี่วะถ้าน่ะแต่มันน่ะมีส่วนทําให้เรา แล้วที่เองว่าติดต่อกับๆว่าขายมะไลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เดี๋ยวจะตามไปบอก พูดอย่างงี้ก็แสดงว่าไม่เป็นไรแล้วล่ะนางอ้อย บางทีคุณฉันไม่เคยเป็นของใครอาจจะนึกอยากกินอ้อยหวานๆอย่างฉัน ลืมง่ายอย่างเงี้ยก็เรื่อง ไงบอกว่ารังแม่ค่าอีพวกง่ายๆไม่มี มันบอกว่ากลัวถูกมีแต่ได้ไม่มีเสียนะจับแล้วไม่คุ้มกับเปอร์เซ็นต์อ้าว ข่าวลี่ข่าวลี่ของใครอ่ะก็ข่าวๆแหมๆนะเนี่ยอ่าเอาล่ะ <500, ม. S 2> ไอมี่อะไรก็รีบไปทำทางกันซะ สายยาเสพติดหรือยาบ้ามันทําลายคนให้ตายทั้ง เราก็ไม่ได้พูดผิดตรงไหนนี่นา นังยุ่งอยู่หรือเปล่าครับคุณแขไม่หรอกค่ะมาหาพี่หมอเหรอ ก็เลยจะมาเชิญคุณหมอไปแล้ว วันนี้ดูครูใหญ่จริงจังอย่างที่บอกเลยนะคะไม่จริงจังได้ยังไงคุณแขขึ้นผมแถ้ออกนอกเรื่องมั่นบ้าไรก็มีหวังคุณหมอไม่เอาไว้แน่ ไม่ใช่คุณแขดูแลลมาต่าคุณหมอae เรอมีสีเขียวเรื่องๆแล้วเห็นไหมมืมมืมนึกว่าจะดีได้ตลอดแต่ก็ตอรดและตอรดน้อยจนได้แต่เขาก็เป็นผู้ช่วยหรือผู้นำท ถ้าไม่มีการถอดใจฉันอาจจะมองคุณในมุมมองใหม่ๆก็ได้ครูใหญ่แทนคุณถอดใจฉัน อาชีพครูเป็นผู้ให้ค่ะอย่าปิดกั้นโอกาสของ นามผู้แสดงบีดังต่อไปนี้อาทรภาธิพพัฒนะทินดาเกียรติศรีเปรมกมลโชติกาเสถียร แลเฉลิมพลสิริประเสริฐศักดิ์ชนะฐานอาสาควบคุมเสียงอาทรภาธิภัทรนะ